ดูต่อไปหน้า23ตัิยาวิพัฒนในอัตอันนพิหิตะกะตาแปลว่าอันเป็นผู้ทากิริยาที่เป็นกรรมตัวตัิยาเป็นผู้ทากิริยาต้องเป็นกรรมถ้าปัตมาเป็นผู้ทากิริยาก็ต้องเป็นกัตตุลักษณะประโยคเรารู้มาเยอะแล้วล่ะดูตัวอย่างข้อ1ชิเนนะธรรมโมเทสิโต ชิเนนะอันพระพุทธเจ้าอันพระชินนาเจ้าธรรมโมพระธรรมเทสิโตทรงสแสดงแล้วแปลว่าธรรมโมพระธรรมชิเนนะอันพระพุทธเจ้าเทสิโตทรงสแสดงแล้วพระธรรมอันพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วข้อสอง พุทเทนะชิโ ต, truths, ตมาน โ, โรมาง โ, โรมานพุเทนะ <ถ developments, S 1> อันพระพุทธเจ้าชิตาโชตส่งชนะแล้วมานอันพระพุทธเจ้าทรงชนะแล้วมานที่พระพุทธเจ้าเอาชนะได้เทศิตโต ก, รรตเกรร็เป็นกรรมชิโตก็เป็นกรรมเป็นกริยากิจ เป็นกริรากิจคนนี้เป็นกริรากิจหมดชิโตชนะข้อสามอหินาทัตโถนโกรโอหินาก็แปลว่าอันงูทัตโธแปลว่ากัดแล้วนักโรโก็แปลว่าคนนกโกรคนอหินาอันงูทัตโธกัดแล้วคนถูกงูกัด คนถูกงูกัดคนอันงูกัดแล้วเป็นกรรมเหมือนกันกิริยากิจทัศโถทัศโถมาจากทัศธาตุหรือทงางธาตุก็มีทางสัตว์ทางสเสนในอัในในอัตวกัดสัตว์ที่มีเขี้ยวกัดมีจะงอยปากกัดใช้ตัวนี้หมดอะทางสาธาตุหมดเลยอย่างงูกัดก็ทัศโถยุงกัดก็ทัศโถนะ มันไม่มีเขี้ยวกัดอย่างนั้นแะแต่ว่ามันใช้ปากเจาะเอาทัดโถมนกันข้อสสัตเทหิกา ร, กริโตวิหารโรสัตเทหิแปลวะ่าอันผู้มีศรัทธาทั้งหลายอันผู้มีศรัทธาทั้งหลายกา ร, กริโตแปลวะ่าให้ทำแล้วให้ทำแล้วให้สร้างแล้ว วิหารโววิหารวิหารโววิหารสัตเทหิอันผู้มีศรัทธาทั้งหลายการิโตให้ให้สร้างแล้วให้ทําแล้วการิโตเป็นเหตุกรรมนะการิโตเนี่ยมีคํำมาให้อยู่ด้วยเป็นเหตุกระธาตุเนป จ, จัย อีอาคมแล้วก็ตาปัจจัยสี่เป็นโอให้ทำให้สร้างข้อ5พุทเทนะโพธิโตโลโกโพธิโตแปลว่ารู้แล้วโลโกแปลว่าสัตวโลกพุเทนะอันพระพุทธเจ้าโลโกสัตวโลกพุทเทนะอันพระพุทธเจ้าโพธิโตทรงรู้แล้ว สัตว์โลกอันพันผู้เจเจ้ารู้แล้วรู้ว่าสัตว์โลกไหนเป็นยังไงสัตว์โลกไหนมีทายาสายเป็นอย่างไรสัตว์โลกไหนที่ควรประโตดสัตว์โลกไหนที่ควรจะปล่อยทิ้งพวกเราเนี่ยไม่รู้พวกไหนไ เอา้าทำแล้วเมื่อกี้เนะนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วไ ง, จจงชราราธาตุเนปัจจัยลบอะไรอะ่ะ ล, <บ S 1> ลบอีอาคมครับก็ลบเอไปการริโตให้ทำให้สร้าง ดูต่อไปต่อไปข้อ6เป็นคาถาจากธรรมบทอีกยะถาปิปุพพงราสิมมหากัจยิงรามาลาคุเนผะหูเอวังชาเตนะมัดเจนะกัตตพังกุสลังผะหงยะถาปิฉันใดเอวังฉันนั้นเป็นอุปมาอีกปุพพงราสิมมหาแปลว่าจากกองแห่งดอกไม้ ปุบผะแปลว่าดอกไม้องราสีแปลว่ากองมหามาจากสมาวิพัฒแปลว่าจากจากกองดอกไม้กะยิงราแปลว่าควรกระทําพึงกระทํากะยิงราเนี่ยเราแปลามาครั้งหนึ่งแล้วกะยิราเถนังปุ ณ, ปณนนะัปุูนังนะนะปุญญเจปุริโสกนะยิงราเคยแปลามาแล้ว กีฬาตัวเดียวกันนี่แหละแปลว่าพึงกระทำควรกระทำสามารถกระทำมาลาคุเนซึ่งพวงแห่งดอกไม้ทั้งหลายคุณะตัวนี้แปลว่าพวงไม่ได้แปลว่าคุณแปลว่าพวงแปลว่าชอบคุณะศัพท์เนี่ยแปลว่าชอบได้แปลว่าคุณได้แปลว่าพวงได้มาลาคุเนซึ่งพวงแห่งดอกไม้ทั้งหลายท่าหูจํานวนมาก เอวังฉันนันชาเตนะผู้เกิดแล้วอันผู้เกิดแล้วมัดเจนะอันผู้จะต้องตายอันผู้เกิดมาแล้วจะต้องตายกัตตะพังแปลว่าควรกระทม ควรกระทกุศลังไม่ใช่ซึ่งเป็นประธานแปลว่าอันว่ากุศลนั่นแหละกุศลพระหงเป็นอันมากกุศลังกุศลบุญกุศลชาเตนะมัจเจนะอันผู้เกิดแล้วจำต้องตายกัตตะพังควรกระทาพระหงให้มาก เขียนคำแปลไม่มีประธานกยิรามีแต่กิริยาก็าต้องใส่ประธานมาลาการโรมานายมาลาการมาลาการโรเพราะมีแท่กิริยาไม่มีประธานกัยิ่ราคนร้อยดอกไม้ก็คือนายมาลาการนี่แหละไม่ใช่คนอื่นขึ้นมาวงเล็บไว้นายมาลาการ ร้อยพวงมาลัยจำนวนมากนายมาลาการร้อยพวงมาลัยจำนวนมากจากกองดอกไม้ชั้นใด ต่อไปผู้เกิดมาแล้วจำต้องตายผู้เกิดมาแล้วจำต้องตายควรสร้างบุญกุศลไว้ให้มากฉันนั้นควรสร้างบุญกุศลไว้ให้มากฉันนั้น ท่านอุปมาว่าปุพพงราสิมหาเนี่ยนะ<ม>ดูนะปุพพาราสิมหาจากกองดอกไม้ก็คือไปเลือกเก็บดอกไม้จากต้นบ้างจากตลาดบ้างหรือจากไหนๆก็แล้วแต่ซึ่งกองดอกไม้เนี่ยเป็นแหล่งที่ให้นายมาลาการสแสวงหาดอกไม้เพื่อจะจับมันร้อยพวงมาลัยได้หลายพวงหลายชนิดชั้นใดก็เหมือนกันบุคคลที่เกิดมาแล้วความเกิดมาในชาติที่ตนเกิดนะั่นแหะ เกิดเป็นชาติมนุษย์เกิดเป็นชาติไหนก็นแล้วแต่เหมือนกับเป็นกองดอกไม้เป็นเหมือนกองดอกไม้แต่ว่ากองดอกไม้เนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะต้องตายไปดังนั้นในขณะที่เกิดอยู่นั้นน่ะควรจะใช้จุดที่เราอยู่คือกองดอกไม้นี่แหละเลือกทําบุญกุศลไว้ให้มากถ้านายมาลาการ เดินไปเห็นกองดอกไม้เขาจะเลือกดอกไม้มา or, ร้อยพวงมาลายตามต้องการเนี่ยแสดงว่านายมาลาการเนี่ยต้องเก่งต้องฉลาดเห็นดอกไม้ปุ๊บก็จะรู้ทันทีว่าดอกไม้นี้ควรจะร้อยเป็นพวงมาลัยแบบไหนคนที่เกิดมาในโลกก็เหมือนกัน ว, วันนี้ควรจะทําบุญอะไรสถานที่อย่างนี้ควรจะทําบุญอะไรการเวลาอย่างนี้ควรจะทําบุญอะไรวัยขนาดนี้ควรจะทําบุญอะไรก็จะต้องฉลาดเหมือนนายมาลาการ อ ะ, อะไรนะคําว่กกูศลังนี่มีเยอะเนี่ยบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้น <th anas> ทานศีลภาวนานั่นแหละเห <st ing> มือนนายารการเห็บดอกไม้ร้อยได้ใช่บุญกียาวัถตถุต่างๆทําไปเรื่อยจนถึงโน่นะสัมมาทิฏฐิทิฏฐุชุ ก, กัง ที่ถูกชุบ ก, กรรมสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องแล้วก็ได้ปัญญาได้กุศลังเป็นเอกพรใช่มาลาคุณ เ, เป็นพระหูพน์โยเป็นเอส่วนกุศลังตัวนี้เป็นสีปัมานะเป็นสีปัมาส่วนพระหูเป็นกิยาวิเศษณะของกัตตพัง ปดเป็นกิยาวิเสษณนะทุติยากิริยาวิเศษนะเคยมีไหมทุติยาพัดลงในอัตกิยาวิเศษนะ เ, นน เ, ษนะเปิดไปดูหน้าสิบหกหน้าสิบหกข้อสองเลยย้อนไปดูหน้าสิบหกข้อสองสุขังเสตินอนเป็นสุขอันนี้ก็จะเป็นพระหงกตะพังควรทําให้มากนะข้อสองนะหน้าสิบหกข้อสองข้อสองใหญ่อะ่ะข้อสองใหญ่เนี่ย ทุติยภัตเนี่อาจกิยาวิเศษณะที่ให้เปิดดูเพื่อจะเทียบว่าไอ้พระหงเนี่ยนะพระหงเนี่ยลงทุติยวิภัตเนี่อัจกิยาวิเศษนะไม่ได้ขยายกุศลังนะพระหงเนี่ยไม่ได้ขยายกุศลังขยายกัตถพังกุศลควรกระทําให้มากไม่ใช่กุศลอันเป็นอันมากควรกระทําไม่ใช่ต้องแปลว่าบุญกุศลควรกระทําให้มาก ถ้าพระหูตอนนั้นขยายมาลาคุณเอมันโยทุยาริาพัฒเหมือนกันซึ่งกุศลังกับพระหูในกุศลังเป็นสีพระหูเป็นอังดังนั้นจะขยายกันไม่ได้พระหูขยายกัตถพังแปลว่าควรทําให้มากควรทําให้มาก ส่วนมาลาคนเนภะหูนั้นขยายกันมาลาคุเนซึ่งพวงแห่งดอกไม้ทั้งหลายพระหูเป็นอันมากมันโยวิพัฒเหมือนกันขยายไปเลยตั ว, ต, วตัวกะยีา่าตุงกพันนี้เอาไปใช้กับตาม ร, รอยใช่ไหมครับรไม่ใช่ไม่ใช่ครับร้อยนั่นคือกะยีิราไม่ใช่กตพันนั่นเองครับกผมกับผมก็าถามไะกะยีิราใช่ ทำไงแปลว่าทําพวงมาลัยก็คือร้อยพวงมาลัยยังทํารรบุญก็แปลว่าสร้างบุญนะฮะกัยิ่งราแปลว่าพึงทํากตตะพังก็แปลว่าพึงทํากัจยิ่งรากัยิรามาอยากธาตุปัจจัยอะไรวิพัฒน์อะไรกระดธาตุยิ่งราปัจจัยอืมแล้วก็วิพัฒน์อะไร ไม่ใช่โออ่ากไม่ใช่นี่เป็นกิยาขยาดกิย์ราเนี่ยกิยาขยาดเมื่อกี้แปลว่าพึงกระทำอะนึกไว้เลยว่าแปลว่าพึงมันมิพัทธ์ไหนอะอ่าเอยะสัตตมีเอยะ เ, เป็นอาบอกให้เลยเอยะเป็นอาเอยะเป็นอากยิย์ระก็เป็นกิย์รา ส่วนกัตตพังในกิริยากิจลงตับพระประจะใจในกิจตับพระประใจใช้ได้ทั้ง3มลิงกัตตะโพก็ได้กัตตะพาอิธีลิงก็ได้กัตตะพัง น, น้ำุงสกัลิงก็ได้เป็นกิริยาของอุบทที่มันเป็นลิงไหนก็เป็นลิงนั้นตามไปเลยอย่างกุสลังเป็นน้ำุงสกัลลิงกัตตะพังก็เลยเป็นน้ำุงสกัลิงตาม <S <S เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มันเกี่ยวข้องกับศีล น, นี่แหละก็ถามอย่างนี้แหละวันหนึ่งถึงวันอุโบสถที่วัด พระเชนวันเมืองสาวัตถีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพากันไปวัดรักษาศีลอุโบสถมีหลายวัยมีตั้งแต่เด็กสาวไปจนถึงวัยอย่างพวกเรานี่แหละไม่รู้จะเรียกว่าไวัยไหนดีวัยชาลาอือวัยชาลาตั <laughs> <laughs> ้งแต่ว่าถมว่าวัยถึงปัตชิมว่า ว, วัวอยอย่างนี้แล้วกัน <laughs> นางวิสาขายอยากจะีรู้วัตถุประสงค์ของผู้ไปจําศีลอุโบสถเป็นประจําทุกวันอุโบสถนะเอะคนนี้เขาจะจําศีลไปทําไมนะคนนั้นจะจําศีลไปทําไมก็อยากจรรู้เลยไปถามจะถามก็จะถามเด็กเดี๋ยวเด็กก็จะเก้อเขินไม่กล้าตอบถามผู้ใหญ่ก่อนถามผู้สูงอายุก่อนผู้สูงอายุเกินวัยห้าสิบไปแล้วเนี่ยนะบอกว่า คุณป้าคุณยายมาถือศีลอุโบสถเนี่ยต้องการอะไรประสงค์อะไรประสงค์อะไรจึงมาจําศีลอุโบสถคนสูงวัยแล้วก็ตอบว่าที่มาจําศีลอุโบสถเนี่ยอยากจะเกิดบนสวรรค์ <c oughs> ก็คือไม่อยากเกิดในมนุษย์โลกอย่แล้วคือผ่านวัยมาเยอะแล้วนะผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากไม่อยากเกิดแล้วในมนุษย์เนี่ย อยากเกิดสวรรค์อยากไปนิพพานแต่ยังไม่เห็นนิพพานเราบอกว่าอยากเกิดบนสวรรค์อยากไปสู่สุคติเอาแบบคนวัยนี้อยากไปสวรรค์ในถามวัยกลางคนหน่อยสิคนมีครอบครัวแต่งงานมีสามีมีภรรยาแล้วส่วนมากก็เป็นผู้หญิงนะบาลีท่านก็ไม่เห็นมีไปถามผู้ชายเลยถามแต่ผู้หญิงไป <c oughs> ถามผู้หญิงวัยกลางคนถามว่าคุณน้ามาจําศีลเนี่ยต้องการอะไรท่านประสงค์อย่างไรจึงมาจาศีลอุโบสถ ผู้หญิงวัยกลางคนก็ตอบว่าที่ดิฉันมาจําศีลอุโบสถ์เนี่ยเพราะไม่ปรารถนาให้มีหญิงร่วมสามีมเข้าใจไหมไม่อยากให้สามีมีภรรยาน้อยจําศี น, นภาวนาอยู่ตลอดขอให้อานิสง์การจําศีนของข้าพเจ้านี้อย่าให้สามีไปมีภรรยาอื่นเอาละ่ะทีนี้ถามคนที่เพิ่งจะแต่งงาน คนที่วัยวัยเนี่ยวัยเป็นจำเพานี่แหละแต่งงานแล้วก็มียังไม่แต่งงานก็มีแต่ยังไม่มีบุตร mm hmm. ก็ถามว่าหนูมาจำศีลเนี่ยมีความปรารถนาอย่างไรคนรุ่นนี้วัยนี้ก็ตอบว่าที่มาจำศีลเนี่ยปรารถนาว่าถ้ามีบุตรคนแรกขอให้เป็นชายถ้าจะได้ลูกคนแรกเนี่ยขอให้ได้ลูกชาย จำศีลดูครั้งก็ปรารถนาอย่างนี้แหละอะล่ะถามเด็กๆบ้างเด็กๆวัยสาวรุ่นๆถ้าเด็กเล็กๆจริงๆเขาก็ไม่ไปจำศี น, นี่ครัถามว่าแล้วพวกหนูล่ะมาจำศีนเนี่ยพากันปรารถนาอะไรเด็กสาวรุ่นทั้งหลายก็ตอบว่าที่มาจำศีนประจําระจำตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้มีสามีตั้งแต่ยังสาว <laughs> <laughs> ก็ให้มีสามีตั้งแต่ยังสาวคืออย่าไปมีสามีตอนอายุมากอะ่ะพูดง่ายๆว่าอย่างครองโลกิตเขาก็บอกว่าหญิงไม่มีสามีดูไม่งามครองโลกนิตนะดังนั้นเขาก็เลยปรารถนาอย่างเนี้ยถ้าจะมีสามีให้มีตั้งแต่วัยสาวๆเพราะถามนี้แล้วก็เอนาวิสาขาเอคนแต่ละวัยทาไมปรารถนาเป็นคนละอย่างเพราะอะไรตกเย็นมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ทูนถามปัญหาข้อนี้ว่าทำไมแต่ละคนจึงตั้งความปรารถนาไว้ไม่เหมือนกันคนนู้นปรารถนาอย่างนี้คนนี้ปรารถนาอย่างนู้นเอปรารถนาอย่างไงถึงจะดีจะปรารถนาอย่างไรถึงจะดีะะดแล้วนั้นก็มาเกี่ยวข้องกับคาถาที่จบเมื่อวานนีว่ารักษาศีลอวส่ยจะปรารถนาอะไรจึงจะดีจะทำอะไร ถ้าสมมุติว่าเราเป็นนายมาลาการเราจะเลือกทําบุญตอนนี้ก็บอกว่าจะทําบุญทํากุศลให้มากแล้วจะทําเพื่อปรารถนาอะไรล่ะจะทํากุศลให้มากจะปรารถนาอะไรดีปรารถนานิพพานนั่นเหลอไอ้ตอนอยู่ในห้องเรียนหรือตอนมาวัดมาอะไรก็ปรารถนานิพพานอยู่แหละแต่พอเดินไปที่อื่นไปอยู่อารมณ์อื่นอยู่สิ่งแวดล้อมอื่นก็ปรารถนาอย่างอื่นอีกแหละ จิตเขาไม่มันคงต่อนิพพานแต่ทำไมคนที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วจึงตั้งความปรารถนาว่าปรารถนาสวรรค์ทำไมไม่มีใครปรารถนาว่าขอให้ได้กลับมาเกิดเป็นคู่ร่วมสามีภรรยาคนนี้อีกทำไมไม่มีเล ย, าานนเยบางคนจจะคนะ ค, คนั น, น่ะสิ นูแหละแต่งงานในหม่น่แหละปรารถนาพบกันทุกพบทุกชาติน่ะพอมามาแล้วปรารถนาอะไรไม่รู้ต้องถามต้องถามโยมอหละถึงจะรู้แล้วตอนนี้ปรารถนาอะไร สวรรค์นิพานได้ปรารถนาไหมสวรรค์นิพานยังไม่ปรารถนาสวรรค์นิพานพพารปรารถนาให้เรียนบาลีจบวันนี้ปรารถนาให้เรียนบาลีจบก่อนอาจารย์จะเป็นอะไรไปพุทธเจ้า ก, ก็ตอบว่าอย่างนี้แหละตอบว่าใครจะปรารถนาอะไรไม่สําคัญหรอกแต่ละคนอาจจะเลือกทํากุศลที่แตกต่างกันมาถามบรรลัษยาสีน์ก็ะจะปรารถนาอย่างนี้แหละ ในขณะที่ไปถามในขณะที่เขาให้ทานอาจจะแตกต่างกันไปได้ปรารถนาในขณะไปถามเขาในขณะที่นั่งจเจริญสมาธิภาวนาความปรารถนาจะแตกต่างกันไม่ได้ดังนั้นมาถามบุคคลที่รักษาศีลอุโบสถนี้ถือว่าเชื่อว่าการรักษาศีลอุโบสถนะเป็นการทํากุศลที่ทําให้ได้อา น, นิสงฆ์มากดังนั้นก็เหมือนกับว่าคนที่สูงวัยแล้วเนี่ยะเขาเบื่อหน่ายโลกคนสูงวัยแล้วเบื่อหน่ายโลกครับเบื่อหน่ายมนุษย์ อยากจะปรารถนาภูมิที่มันสูงกว่ามนุษย์ขึ้นไปส่วนคนที่อยู่วัยกลางคนเนี่ยครับความสุขในครอบครัวไม่ใช่อย่างอื่นเลยครับวันทั้งวันเนี่ยก็คือหวังให้สามีเนี่ยรักตัวเองมีความห่วงใยตัวเองไม่ใช่ไปแบ่งใจให้ใหญิงอื่นนั่นคือความสุขในครอบครัวของคนมีครอบครัวนั้นความปรารถนาเขาก็จะปรารถนาเยอะดับเนี่ยจะไม่ปรารถนาอย่างอื่นจากนี้ก็ไม่ได้นั้นคนที่แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรก็ตามหรือคนที่กําลังวางแผนจะแต่งงานก็ตาม เขาก็ปรารถนาลูกชายนคนแรกเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกชายนั้นถือว่าเป็นผู้ที่สามารถสืบทอดสกุลได้ส่วนคนยังไม่แต่งงานก็กลัวจะเป็นที่ข้อรัหาของคนอื่นว่าไม่มีสเสน่ห์ไม่เป็นผู้หญิงจริงๆไม่ค่อยจะแต่งงานนั่นคือชาวโลกแต่ถ้าทุกวันนี้ใครผ่านมาจริงๆนะผ่านชีวิตมาจริงถึงบรรปลายชีวิตในะชีวิตที่ไม่แต่งงานถือว่าโชคดีที่สุด เป็นชีวิตที่โชคดีทำไมโลกสร้างเราให้มาปลอดโปร่งขนาดนี้ชาวโลกเขาเขาถือกันคนชาวโลกเขาอย่างนั้นอ่าใช่ก็เขาชาวโลกไง เราชาทำเราก็จะมองอีกอย่างหนึ่งเขาชาวโลกเขาจะมองอีกอย่างหนึ่งดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนจะเลือกทําบุญเนี่ยนะเป็นเหมือนคนผู้ฉลาดอย่างเนี้ยอย่างที่ข้าถามว่าเนี่ยเหมือนนายมาลาการเลือกเก็บดอกไม้จากกองดอกไม้หลากหลายก็จริงแต่ว่าเมื่อเลือกมาแล้วสามารถที่จะร้อยมาไหลให้เป็นหลายๆพวงหลายๆชนิดหลายๆ ล, ลวดลายได้นั้นคนเลือกทําบุญก็เหมือนกันไม่จําเป็นว่าจะต้องมารักษาศีลอุโบสถอยู่ตรงนี้ ทำบุญอะไรอะไรก็ได้แต่ที่สําคัญก็คือควรทําไว้ให้มากๆที่คนสูงวัยและปรารถนาสวรรค์นะเพราะว่าพันธนาอานิส ง, งส์ของศีลมีอยู่สองอย่างใช่ไหมถ้าศีลพื้นฐานอย่างศีลห้าเนี่ยให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าศีลแปดศีลอุบวสตก็ให้เกิดบนสวรรค์แต่ศีลห้าก็ให้สวรรค์ได้แต่ว่าศีลห้าหลักๆเลยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนศีลที่ แข่งครัดยิ่งกว่าธรรมดาก็ให้เกิดบนสวรรค์อันนี้สงศีลมีสองอย่างมนุษย์สมบัติกับสวรสวรค์สมบัติถ้าสมมติว่าตายไปก็เฉลี่ยค่าเอาอะระหว่างบาปกับบุญอันไหนมากถ้าบาปมากกว่าก็ไปเกิดในภูมิที่เป็นทุกขติมากกว่า<ม>บุญมากกว่าก็ไปเกิดในภูมิที่เป็นสุขติมากกว่าแต่ว่าตายปุ๊บจะเกิดเป็นอะไรเนี่ยอยู่ที่ อาส น, นะมรณะมรณะสันนะวิถีจิตจิตที่ใกล้จะตายดับลงด้วยจิตไหนก็ไปเกิดอย่างนั้นแหละอยู่ติปฏิสนธิต่อเนื่องกันไปมีพระอาจารย์ลูกอธิบายว่าเมื่อสมาทานศีลปุ๊บขึ้น ท, ท่านเองศีลจะไม่ศีลจะไม่เกิดอยู่ตลอดเวลา จนกลัวว่าเราจะเป็นประสบเหตุการณ์กันได้นนอย่างหนึ่งก็ถือว่าถ้าขนาดนั้นเราไม่ล่วงข้อนี้ก็ถือว่าสีนจริงเลยแต่ในขนาดนี้หรือในขนาดปกติจะถือว่าไม่สีสินไริงีลยไม่ได้เจตนาของผู้ถือสินมีหลายเจตนาถ้าเขาสมาทานด้วยวิรติเจตนานะครับเจตนาจะงดเว้นเท่านั้นเมื่อไปประสบเหตุที่จะต้องงดเว้นงดเว้นได้จึงชื่อมีศีล ทั้งหเบ้นไม่ได้ชื่อว่า ม, มีสีนนั่นคือเจตนาวิรัตแต่ถ้าเป็นสมาทานวิรัตินะครับเจตนาไหนของผู้ถือสินไปสงเคราะห์อย่างนั้นทีเดียวไม่ได้ต้องบอกไปว่าเจตนาอะไรอย่างสมาทานของเราเนี่ยเจตนาสมาทานถือครองเอาไว้การได้ความสํานึกว่าตั้งแต่เราจะรักษาศีนเป็นต้นไปจนสํานึกได้ว่าสีนขาดนั่นแหละครับช่วงนั้นชื่อว่ามีสีนครับแต่ถ้าเขาแบบ วิรัติเจตนาหรือเจตนาวิรัติอย่างที่ท่านว่าเนี่ยไปบังเอิญว่ามียุงมากัดถ้าคนทั่ ว, วไปเนี่ยก็จะฆ่ายุงแต่คนนี้ตั้งใจเว้นเอาไว้ครับเว้นเว้นเว้นเอาไว้ทนอยู่ในขณะที่ทนนั่นน่ะชื่อว่าทําศีลให้บริบูรณ์แต่ถ้าบอกว่ายังไม่เกิด อ, อะไรขึ้นยังไม่มีศีลไม่ใช่ เคียร์เลยไม่ตายเผื่อจมูกเ้าหักทําไงบางคนก็ชอบแกล้งเอาละยุงกัดก็บีบผิวหนังให้มันบีบเอาไว้ก็ดูมันบินพี๊ดปี๊ดปี๊ดถอดใม่ออกบีบล็อกเอาไว้ล็อกปากมันไว้แล้วก็ดูนบินติดอยู่บินออกบางทีอาจจะบินออกจริงแต่ว่าแต่ว่าปากหักปากหลุดอะไร อีมันจระราติงอีมันจะที่วสังนั้นนะ่ะโดยไม่ต้องบอกคืนสินไหนที่เกิดขึ้นจากการสมาทานไม่ต้องบอกคืนขาดเมื่อไหร่คือหมดเมื่อนั้นขาดเมื่อไหร่หมดหมดเมื่อนั้นอย่างสมมติว่าเราเราสมาทานสินแปดตั้งแต่วันอุโบสถ น, นะ แล้วเราก็กลับบ้านไปเลยลก็ทํากิจอื่นๆไปไม่กลับมาบอกลาศีนอีกเลยไม่รับศีนห้าอีกเลยไม่ ท, ำทํำคดีกรรมอะไรเลยเนี่ยนะศีนไหนที่มันหมดแต่มันก็จะขาดเฉพาะศีนข้อนั้นข้อนั้นไปเรื่อย แ, แต่ว่าข้อที่ขาดไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ทําอย่างนั้นอีกชื่อว่ามีศีนข้อนั้นไม่ใช่มันจะนับตั้งแต่ช่วงขาดนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้สมาทานใหม่ถ้าศีนแปดนะแต่ถ้าศีนห้าไม่ใช่นะศีนห้าทำผิดเมื่อไหร่ชื่อว่าขาดศีนเมื่อนั้นศีลห้า น, นะ ถ้าช่วงทียังไม่ทําผิดหลังจากทําผิดไปแล้วก็ยังเชื่อว่ามีศีลห้าอยู่ถ้าทําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกก็เหมือนกับย้ําความผิดนะั้นบ่อยๆก็เหมือนกับเติมรูให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นเพราะศีลห้าเป็นนิจศจีลไม่ใช่สมาทานศีลเป็นศีลปกติเพราะศีลห้าถือว่าเป็นปกติศีลถ้าไม่ละเมิดชื่อว่ามีศีลไงศีลห้า อืมเรียกว่าศึกก็ไม่ได้เลยทีเดียวนะวเพราะว่าการบวชชีพราหมณ์เนี่ยไม่ไม่ใช่บวชเพราะมีอุปัชาจึงจะบวชได้มันแตกต่างกันไม่ศึกก็ได้อเหมือนกับวันวิสาขาที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการโดยที่กรมอะไรนะของสาธารณศึกษาแห่งชาติ กรมการศาสนาเนี่ยให้คนไปลงนามแสดงตนเป็นพุทธมามกะไปไหมไปเขาไหมไปลงชื่อแสดงตนเป็นอุบาสกบาศิกาเป็นพุทธมามกะอะไรไหมที่สนามหลวงงานทั่วประเทศนั่นแหละนะใครจะลงชื่อตรงไหนก็ได้ก็ต้องเกณฑ์พวก ถ้าราชการทั้งหลายนะมาลงนะเ mm hmm. วราเชาวบ้านเขาลงอยู่เป็นปกติแล้วก็อยู่ปกติ <c oughs> พกเพราะข้าราชการทั้งหลายนะไม่ค่อยไม่ค่อยได้รักษาสีน <c oughs> เอาละเราจะมาต่อวันนี้